ยิ้วปินโตไปด้วยเมื่อก่อนมีคนไปบุญเยาวาสนี่ยยิ้วหมอนไปด้วยสแสดงประกาศเจตนาลมไปอยู่วัดเนี่ยนอนลูกเดียวนี่ประกาศเจตนาลมอยากกินลูกเดียวมันคงบรรลุหรอกญาติโยมแน่นขึ้นทุกวันนะเยอะดีหลวงพ่อก็ดีใจด้วยพวกเรามาเยอะหลวงพ่อเหนื่อยนะแต่ว่าวไม่ได้ผลประโยชน์อะไรด้วยหรอกแต่ว่าวก็ดีใจด้วย ศึกษาไว้พวกเราจะได้มีความสุขในโลกมันเต็มไปด้วยความทุกข์ศึกษาไว้ก็เราเข้าใจธรรมะเราได้ช่วยกันเผยแพร่ต่อไปประกาศรักษาศาสนาไว้ชาวพุทธทุกคนมีหน้าที่นะหน้าที่แรกเลยศึกษาให้เข้าใจก่อนศึกษาธรรมะเราได้เข้าใจธรรมะนะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เต็มจิตเต็มใจเราแล้ ว, ล ว, วก็ประกาศต่อไปอีกทําประโยชน์ตนทําประโยชน์ ท, ชนท่านให้ถึงพร้อมนะ ทุกวันนี้คนชอบประกาศธรรมะเยอะนะทั้งพระทั้งโยมชอบประกาศธรรมะทั้งที่ทไม่มีธรรมะหรอกเดือนนี้เยอะเลยคนสอนดูจิตคนมาบอ ก, บอกสอนเหมือนหลวงพ่อเปียบเลยก็เหมือนที่หลวงพ่อพูดมาหลายปีแล้วมาฟังมากๆนะอ่านมากๆกเขาก็จำจำไม่เขาไปพูดพูดพูดเหมือนกันเลยเขับก่อนท้วงหมอไปคนนึงมีหมอผู้หญิงคนหนึงบอกอาจารย์นั้นสอนเหมือนหลวงพ่อเปียบเลยเนี่ยธรรมะเป็นเนื้อเดียวกันเลย บอกไปดูให้ดีนะมันเหมือนแต่ว o r d i n g นะสภาวะภายในมันไม่เหมือนกันนะเอาเข้าจริงแล้วเที่ยวสอนสอนกันนะบางทีมันคลาดเคลื่อนจากคำสอนของพระพุทธเจ้าไปนึกว่าถูกนะสอนดูจิตดูใจดูอะไร โ, น, โน้ดดูนี่ดูกายดูอะไรสุดท้ายมันไปพรมโลกมันไม่ได้มาไปมรรคผลนิพพานอะไรจริงหรอกส่วนใหญ่เช่นสอนให้ดูจิตนะก็สอนทำยังไง จิตจะน้อมจิตนะให้ไปอยู่ในความว่างคิดว่านิพพานคือมหาสุญญตาใช่ไหมงัม้นวิถทางลัดที่จะเห็นมหาสุญญตาน้อมใจให้ว่างไหมทำใจให้ว่างนี่ว่างแล้วเป็นพระอราหารนะันต์ละหันไปหันมาก็พิลึกพิลึกนะหลายคนนะฆราวาสมีหลายคนเลยภาวนาดูๆไปแล้วก็ภาพออกไปมันเป็นพระอนาคาเป็นอะไรนะคราคฆสังกันสิ มีปัญหาชู้สาวชู้หนุ่มมีทั้งนั้นอ่ะธรรมะนะมันพูดเหมือนเหมือนกันนะแต่ใจมันไม่เหมือนกันถ้าจับหลักผิดนะนภาวนาผิดแล้วก็คลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานหรอกอย่างคนที่ภาวนานะพอหัดดูสภาวะใช่ไมมพอสภาวะดับตามดูสภาวะไปดูดูแล้วสภาวะมันเคลื่อนออก จ, กจิตมันเคลื่อนจากฐานไป จิตเคลื่อนจากฐานไปอยู่ข้างหน้าอางว่างๆพอดูไปสภาวะดับปั๊บโลกธาตุว่างนี่เป็นพระอราหันต์ล้ว่างนะอีกวันหนึ่งจิตเข้ามาคลุกอารมณ์อีกดูใหญ่ดูใหญ่หลุดออกไปอีกแล้วอ๋อเป็นพระอราหันต์อีกแล้วเป็นเป็นเก่าๆบางวันก็หันซ้ายบางวันก็หนกันขวาน้อมใจไปอยู่ในความว่างเป็นสมถกรรมฐานชื่ออากาสานัญจายตนะเห็นไหมไอ้สิ่งที่ทําผิดผิดพลาดพลาดนะ ไม่พ้นกรอบที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ให้หรอบางคนก็ไปประคองจิตไม่ให้คิดไม่ให้นึกให้จิตหยุดคิดนะทําไงจิตจะไม่คิดจิตจะไม่คิดนะมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อเจ้าโจโจ้ไปหาอาจารย์คารวาศคนหนึ่งอาจารย์นี่ชอบสอนให้ไม่คิดไม่คิดถ้าไม่คิดแล้วก็จะจบจิตเพราะคิดเนี่ยเป็นสังขารสังขารทั้งหลายดับจะได้เป็นสุข เสรจแล้วโจโจก็ไปบอกอาจารย์บอกว่าผมจะทําไงดีผมมันชอบไปรู้จิตคนอื่นอาจารย์ถามแล้วคุณดูจิตผมสิจิตผมเป็นยังไงนี่โจโจบอกเห็นจิตอาจารย์คิดตลอดเวลาอาจารย์สะบัดหน้าหนีไปเลยนะถ้าสำนวนโบราณเขาบอกสะบัดตูดหนีไปนะทำไมจะไปห้ามจิตคิดจิตไม่ีหน้าที่คิดเหมือนไฟมีหน้าที่ร้อนไม่ใช่ภาวนาแล้วให้ไฟมันเย็น ร่างกายมีหน้าที่ปวดเมื่อยเป็นทุกข์อย่างเงี้ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นกิจกรรมของเขาเป็นบทบาทของเขาไม่ใช่ภาวนาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ทุกข์ไม่เมื่อยไม่หิวไม่หนาวไม่ร้อนไม่ใช่จิตใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ปรุงสุขปรุงทุกข์เราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ได้ภาวนาเพื่อให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่เพื่อภาวนาให้กายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นจะภาวนาให้นั่งแล้วไม่เมื่อยเงี้ยอยากนั่งแล้วไม่เมื่อยก็ไปหาหมอเหน่งบล็อกไขสันหลังฝังเข็มไว้นะนั่งไปเถอะจนเป็นแผลกดทับยังไม่เมื่อยเลยนะหรือจอะให้ใจนิ่งไม่ให้ใจคิดใจนึกนะไปบังคับไปดัดแปลงของจริงของจริงก็คือจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งจิตต้องคิดต้องนึต้อ ง, องปรุงต้องแต่งนะ เราภาวนาไม่ใช่ไปดัดแปลงของจริงแต่เราภาวนาเพื resigned, ่อให้เห็นความจริงพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วฉะนั้นต้องเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ดัดแปลงอย่างบางคนภาวนานีบังคับใจอยู่ในความว่างอยู่ไปนานๆใจเคยชินที่จะอยู่ในความว่าง ว่างอยู่งั้นน่ะกี่ปีกี่ชาติอยู่งั้นว่างๆสว่างสบายโฆษณาสัอีกนะเนี่ยว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างความจริงยังเหลืออีกอย่างหนึ่งคือเหลือว่างไม่ได้ปล่อยวางจริงนะบางคนก็อ้างเนี่ยว่างสว่างบริสุทธิ์นี่ของหลวงปู่ดูลย์สอนบางคนก็อ้างหลวงปู่ดูลอีกหยุดคิดจิตจึงรู้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดจึงรู้อ้างนั้นต้องฝึกหยุดคิด ที่ท่านสอนบอกหยุดคิดหยุดคิดนะท่านสอนไอ้คนช่างคิดเป็นอุบายเฉพาะตัวนะสมมติว่าจากสมมติว่าจากชอบคิดจากความจริงเลดการคิดไม่มากเพราะครูบะป๋องครูบะป๋องเนี่ยนักเรียนที่หนึ่งประเทศไทยนันคิดเก่งเมื่อสักเดือนก่อ น, นมีพระมาองค์หนึ่งท่านมากดีมากเลยคิดเก่งเราดูหน้าถ้าจะเรียนมาเยอะเรียนวิศวะ ท่านบอกท่านที่ถอดสองประเทศไทยบอกนี่ที่หนึ่งอยู่นี่เลยหงายท้องกลับไป <S <S 1> <S 1> คิดมากนะคิดมากเวลาหลวงปูด่ดูลเจอไอ้พวกคิดมากกระทั่งหลวงพ่อเจอพวกคิดมากมันคิดไม่เลิกทําไมมันไม่ดูเขาไปตรงตรงจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยดูเขาไปตรงตรงนี่ก็คิดอยู่นั่นแหนละหลวงพ่อบอกหยุดคิดซะที่หยุดหยุดยุดนะดูเอาเนี่ย แบบเดียวกับที่หลวงปู่สอนหยุดคิดคือท่านจะสอนให้รู้อ่ะอ๋อเลยคิดว่าการหยุดคิดเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติความจริงเป็นเรื่องแก้ปัญหาเฉพาะตัวไอ้พวกคิดมากนี่เราแยกไม่ออกนะบางทีจํามาว่าท่านสอนให้หยุดคิดก็จะหยุดทั้งชาติเลยเขาเนี่ยก็คิดใหญ่เลยมีพระนะได้ยินหลวงปู่ดูลบอกให้หยุดคิดนะก็ไปคิดใหญ่เลยเสร็จแล้วตลอดพรรษาออกพรรษาแล้วกลับมาหาหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับผมหยุดคิดไม่ได้เลย แล้วไปคิดเรื่องอะไรคิดว่าทํายังไงจะหยุดคิดได้ใครเขาหยุดคิดกันอย่างนั้นใช่ไหมหลวงปู่ก็บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ใช่ไหมในขณะที่คิดมันไม่รู้ในขณะที่รู้มันไม่คิดแล้วท่านก็ต้องสอนไว้นะบอกว่าก็ต้องอาศัยคิดนะหลวงท้ายหรืออีกประโยคหนึ่งต้องอาศัยคิดนะคือใจมันมีหน้าที่คิดคิดไปแต่พอใจมันคิดนึกปรุงแต่งไปไม่ได้ห้ามนะอาศัยคิด ใจมันคิดนึกปรุงแต่งกระทบอารมณ์นี้คิดอย่างนี้กระทบอารมณ์นี้คิดอย่างนี้พอคิดแล้วเนี่ยกุศลเกิดบ้างอ่ะกุศลเกิดบ้างมีสติตามดูเห็นไหมต้องอาศัยคิดถ้าไม่คิดเลยเนี้ยไม่มีอะไรเกิดให้มาดูเลยงั้นอาศัยคิดแต่ไม่ได้หลงอยู่ในโลกของความคิดใจไปคิดคิดเรื่อยเปื่อยแล้วไม่ยอมรู้ให้คอยรู้เอาแต่ไม่ใช่รู้แบบไปจ้องไว้ไม่ให้คิดเนี่ยคำสอนครูบาอาจารย์แต่ละคําแต่ละคํานะมีความหมาย พวกเราพอฟังเราเพี้ยนไปหมดเหมือนอย่างหลวงพ่อพูดธรรมะนะหรือก็เพ่งเรื่องโน้นเรื่องนี้พูดมาเยอะแยะพูดแบบเทกระเป๋าให้ทุกวันฟังไปฟังไปเอาไปสอนต่อได้นะไปตั้งสำนักสอนได้เลยสอนเหมือนหลวงพ่อประโมทเปียบเเราเอดูดูไปดูไปมันเหมือนตรงไหนว่้บางคนก็ไปอยู่ในความว่างคนก็ไปพยายามเพ่งกดไม่ให้จิตคิดบางคนไม่ยอมรับรู้ นี่การรับรู้อารมณ์เมื่อคนก็ไปอยู่กับความไม่มีอะไรไอ้น่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้น่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีนั่นมันมิฉาทิฏฐิชื่อนัตติกาทิฏฐิพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีเรื่องของสมมุติหนึพระพุทธรูปไปไหว้มันทําไมมันเป็นทองเหลืองเคยมีโยมคนหนึ่งนะมากับพระพระนั้นเป็นสาวกของโยมโยมเป็นเจ้าสํานัก <laughs> พระมาถึงก็มา คุยกับหลวงพ่อใช่ไหมหลังจาสอนเสร็จไปคุยกับพระถ้าบางเดียวผมขออนุญาตผมมาวันนี้ไม่ได้มาคุยกับหลวงพ่อผมจะให้โยมนี้มาคุยโยมนี้มาถึงก็จวกหลวงพ่อเลยท่านสอนยังไงท่านสอนผิดนะท่านสอนให้กราบพระพุทธรูปไปกราบมันทําไมมันเป็นทองเหลืองหลวงพ่อบอกโยมเห็นแค่ทองเหลืองเหรอสมมติสัจจะกับปรมัตดสัจจะเป็นความจริงทั้งคู่งั้นสมมติสัจจะไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่ความจริง จะเป็นความจริงจริงโดยสมมุติอย่างคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นลูกนะคนนี้เป็นครูบาอาจารย์คนนี้เป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นความจริงโดยสมมุติไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธสมมุติอย่างบทบายของหลวงพ่อเป็นพระใช่ไหมนี่สมมุติเป็นพระเมื่อไร่สมมุติเป็นพระก็คือใส่จีวรออกมาเนี่ยสมมุติว่าเป็นพระเรียกสมมุติส่งส่วนสง์แท้ๆที่เป็นความจริงคารวะก็เป็นได้ นั้นต้องแยกให้ออกนะว่าสมมุติกับปรมัสต์นี่ถ้าหลวงพ่อถือว่าหลวงพ่อเป็นพระสมมติเราสมมตินเนีงั้นเย็นเราก็กินข้าวเย็นได้มันสมมุติมีเมียก็ได้นะสมมุตินะ่ะไม่ยึดถือมีเมียแบบไม่ยึดถือเราก็ทําได้ใช่ไหมมีเราก็ทิ้งไปราบอกไม่ยึดถือ <c oughs> น ะ, อะงั้นสมมุตินะมันก็เป็นความจริงโดยสมมุติปรมัสต์ก็เป็นความจริงโดยปรมัสต์เราต้องปฏิบัติต่อสมมตนะิให้ถูกต้องตามที่เขาสมมุติกัน เช่นเจอไฟเขียวก็วิ่งได้เจอไฟแดงให้หยุดนี่โลกเขาสมมติอย่างนี้ใช่ไหอไม่ใช่เจอไฟเขียวฉันหยุดนะเจอไฟแดงฉันจะไปเพราะฉันไม่ถือสมมุติก็พออยู่ไม่ได้นะอยู่กับโลกไม่ได้งั้นเราภาวนานะไม่ใช่เพี้ยนขนาดนั้นโน่นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีมสมมติทั้งหมดเลยอะไรอะไรก็สมมุตินั่นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเรื่องนาฏิกาทิฏฐิเป็นวิชาทิฏฐิบางทีภาวนาก็น้อมจิตไปอยู่กับความไม่มี อะไรผุดขึ้นปัดทิ้งขึ้นปัดทิ้งทิ้งทิ้ไม่มีอะไรสักอย่างนี่ไม่มีอะไรสักอย่างไม่เหลืออะไรซัอย่างก็เหลือความโง่อยู่เหลืออวิชาอยู่เต็มหัวใจเพราะไม่ได้ดูรูปนามนะฉะั้นต้องระมัดระวังนะคําสอนกระทั่งวัดดิ้งอันเดียวกันอย่าเพิ่งสรุปว่าเหมือนกันต้องดูเนื้อแท้ให้ดีนะว่าคําสอนนั้นถูกตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนไหมสอนให้เรารู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงที่กาลังปรากฏในปัจจุบันไหม อสอนให้คิดเรื่องรูปนามหรือสอนให้ไปดูสิ่งอื่นที่ไม่ใช่รูปนามนะเช่นไปนั่งเพ่งไฟนั่งเพ่งกระสินเพ่งไฟเพ่งแล้วก็เป็นดวงสว่างขึ้นมาอยากเห็นเทวดาก็ดูไปในดวงนะั้นน้อมใจไปนี้ เ, เห็นเทวดาคล้ายแม่มดดูลูกแก้วอ่านะีดูลงไปเห็นโมดอยากดูอะไรนะเห็นโมดมันไม่ใช่ทางผลทุกมันไม่ใช่รูปนามกายใจของตัวเององั้นไปดูของอื่นก็ไม่ใช่ ถ้าดูล้วก็ต้องดูรูปนามที่เป็นปัจจุบันด้วยไม่ใช่รูปนามในอดีตรูปนามในอนาคตรูปนามในอดีตเป็นแค่ความจำไม่เหลืออยู่แล้วรูปนามในอนาคตเป็นแค่ความคิดยังไม่มีไม่มีจริงดูของจริงดูกายดูใจที่เป็นปัจจุบันดูต้องดูด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางด้วยนะถ้าดูโดยจิตไหลลงไปดูเนี่ยใช้ไม่ได้อีกเช่นดูท้องฟองยุบนจิตไหลไปอยู่ที่ท้อง เดินจงกรมยกเท้าอย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าขยับไม้ขยับมือจิตไหลไปอยู่ในมือนะพุโทโธจิตไหลไปอยู่กับพุโทโธหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมอนะไรเงี้ยดูจิตนะก็ไปเพ่งจิตอยู่ใช้ไม่ได้เหมือนกันถ้าเมือไหร่จิตเคลื่อนไปรู้อารมณ์นะไม่ศักว่ารู้สักว่าเห็นดูอยู่ห่างๆก็ใช้ไม่ได้งั้นเวลาเรารู้สภาวะนะถึงจะเป็นรูปนามที่เป็นปัจจุบันก็ตามต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางด้วย เราต้องดูกายดูใจมันทำงานเหมือนเราดูฟุตบอลคนดูฟุตบอลนั่งอยู่บนอัธจันทร์ใช่ไหมนั่งดูสบายๆโดดลดเต้นอะไรก็ได้นะเราเห็นหนึ่งนั้นมาใจเราเพลิดเพลินพวกเราแพ้แล้วใจห่อเหี่ยวอะไรเงี้ยใครรู้ดูอยู่ห่างๆอย่ากระโดดลงไปในสนามฟุตบอลเวลาเราดูกายดูใจมันอย่ากระโจนเข้าไปที่กายที่ใจดูอยู่ห่างๆดูสบายๆเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงาน ถ้าดูห่างๆเห็นกายมันทํางาน <Pie> เห็นใจมันทำงานนะี <S <S 1> <S 1> มันจะเกิดปัญญามันจะเห็นว่ากายกับใจที่ทํางานอยู่นะั้นไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นได้เองไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันเองนะนี่พอเราไปเห็นแล้วบางทีก็ยินดีบางทีก็ยินร้ายพอยินดียินร้ายเนะี่ใจจะไม่เป็นกลางนะเหมือนเราดูฟุตบอลใช่ไหมพวกเรากำลังจะได้ลูกไหมเราก็ยินดีพวกเราเสียลูกเราก็ยินรา้ายหมดแต่ยินดียินร้ายหมดแต่ดูฟุตบอลลืมดูตัวเอง เพเวลาเราหัดภาวนานะไม่ว่าสภาวะใดๆเกิดขึ้นนะเห็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นหรือเห็นความสุขความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นถ้าจิตมันยินดีขึ้นมาให้รู้ทันอีกจิตมันยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันนรู้ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะไม่ใช่ดูแค่ตัวสภาวะแต่ว่าถ้าจิตยินดีขึ้นมาให้รู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันถ้าไม่รู้ทันอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ทันจิตจะปรุงแต่ง จิตจะดิ้นรนปรุงแต่งต่อแต่ถ้ารู้ทันนะจิตจะคลายตัวไม่ดิ้นรนนะเป็นกลางหยุดความปรุงแต่งรู้สักว่ารู้รู้สักไว้รู้นะเห็นสักว่าเห็นไม่ทําอะไรต่อพระเจ้าเคยสอนภาหิยะตอนนั้นภาหิยะยังไม่ได้บวชนะแล้ภาหิยะนี่ไม่เคยบวชแต่ว่าถือว่าเป็นพระเขาเป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งตอนภาหิยะมาพบพระพุทธเจ้ายังเป็นปุถุชนอยู่อุตส่าห์เดินมานะเจวันเคืนเดินมา ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วรีบมาเลยจะมาเรียนธรรมะมาถึงวัดตอนเช้าเข้าไปถามหาพระพุทธเจ้าพระบอกว่าพระพุทธเจ้าไปบินธบารดให้าพยายะรออยู่ที่วัดเดี๋ยวท่านกลับมาก็ได้ฟังธรรมพาหิยะบอกท่านสอนผมประมาทนะรู้ได้ไงว่าผมจะไม่ตายซะก่อนที่จะได้ฟังธรรมงั้นต้องรีบไปฟังรีบไปฟังตามไปที่ตลาดนะเจอพระพุทธเจ้า บอกข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์เดินมา7วัน7คืนแล้วจะมาขอถามธรรมะพระเจ้าเห็นท่าทางแกร้อนรนเหนื่อยนะแล้วก็ร้อนรนกระสับกระสายอยากฟังธรรมะอยากแล้วไม่ได้กินหรอกพระพุทธเจ้าท่านก็ฉลาดท่านบอกตอนนี้ไม่ใช่เวลาฟังธรรมะตอนนี้ท่านจะบินทบาทอะฮิยะก็ร้องขอครั้งที่สองนะได้โปรดแสดงธรรมเถอะข้าพระองค์จะได้ฟังธรรมพระเจ้าเห็นใจก็ยังกระวนกระวายอยู่นะอย่าเพิกเลย นะเดี๋ยวค่อยฟังขอบินธบาตก่อนแกก็บอกว่าข้าพระองค์มาเนี่ยนะรีบมาจะมาฟังธรรมชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนะข้าพระองค์อาจจะตายก่อนหรือพระองค์อาจจะตายก่อนก็ได้ไม่ได้ฟังธรรมนะ <c oughs> นฉลาดนะเห็นไหคนอินทรีเขาแก่กล้าพระพุทธเจ้านะธรรมเนียมของท่านถ้าใครถามสามครั้งแล้วท่านจะตอบให้ท่านก็บอกว่า ดูกราพาหิยะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็ น, นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีเห็นไหมมีคําว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นถ้าสักว่ารู้สักว่าเห็นเมื่อไหร่ท่านจะไม่มีในการใดที่ท่านไม่มีในปัจจุบันท่านไม่มีในอดีต ท, ท่านไม่มีในอนาคตนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์พาหิยะฟังตรงนี้นะบรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นเลย ได้ประโยคไม่กี่ประโยคนี้ได้เป็นเอตทัคคะในทางบรรลุเร็วที่สุดแต่ก่อนบรรลุเร็วชาติก่อนโน้นบรรลุช้าไม่บรรลุเลยภาวนาจนตัวตายไม่บรรลุพอมาฟังธรรมคราวนี้บรรลุเร็วเลยเพราะอินทรีย์แก่รอบแล้วพวกเราก็เหมือนกันนะฟังเหมือนพาหิยะมีใครบรรลุพระอราหันต์ไหมมีแต่หันอย่างนี้เนาะหรือพระอราหันต์ตาหลวพร ะ, กระเกษมใช่ไหมพระอราหันตตาตาหันไปหันมา <c oughs> ฟังเหมือนกันทําไมไม่บรรลุเขาฟังแล้วเขาบรรลุเอินทรีย์เขาแก่รอบแล้วอินทรีย์เรายังไม่แก่นะต้องสะสมเรียนไปค่อยๆเรียนไปห้านะปี6ปี7ปีอะไรได้โสดาบุญนักหนาละนะเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์เคยบอกนะว่าไม่เหมือนยุค ก, ก่อนนะยุค ก, ก่อนได้โสดาสักตาคาอะไรเยอะแยะมายุคนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้กนะว่าจะได้กันสักคนนะอยู่ไปจนแก่บวชจนแก่กนะว่าจะได้ แต่ว่าอย่าตกใจนะมีครูบาอาจารย์อยีกองค์ท่านพยากรนไว้องค์นี้เป็นอาจารย์ใหญ่เลยท่านพยากรนไว้บอก2550ห้อขึ้นเนี่ยจะมีคารวะดได้โสดาเยอะแยะเลยมันอยู่แถวนี้แหละไม่ได้อยู่ไกลหรอกนะใจมันตื่นใช่ไหพระพุทธเจ้าสอนภาหิยะในการดายแลเมื่อเห็นจากเป็นสักว่าเห็น สักว่าเห็นหมายถึงว่าเห็นแบบไม่ยินดียินร้ายนะรู้ยังเป็นกลางๆแต่ไม่ใช่จงใจให้มันไม่ยินดียินร้ายรู้ด้วยความซื่อรู้ซื่อๆรู้เป็นกลางๆลาจิตยินดีขึ้นมารู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมารู้ทันจิตมันจะไม่ยินดียินร้ายเองถ้าเมื่อไรจิตมีปัญญานะเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวพอความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินดีจิตมีปัญญาเห็นว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวพอความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินร้าย มีปัญญาเห็นว่ากุศลก็เป็นของชั่วคราวกุศลเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีอกุศลเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินร้ายนะเนี่ยเพราะมีปัญญานะเห็นทุกอย่างมันเกิดระดับเห็นทุกอย่างมันอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวการที่จะภาวนาจนกระทั่งใจยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวต้องใช้เวลาเพราะพวกเรามีความต้องการอยู่ตลอดเวลาที่อยากให้มีได้สิ่งที่เที่ยงเที่ยงอยากได้ความสุขอยากได้สิ่งซึ่งบังคับแล้วก็ครอบครองเอาไว้ได้ เราอยากได้สิ่งที่เป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาตลอดเวลาฉะนันเราพยายามจะหนีไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาตลอดเวลาที่ผ่านมาพยายามหนีความจริงตลอดเวลาต้องค่อยค่ยฝึกนะค่อยๆสังเกตรู้กายไปรู้ใจไปจนมันเห็นไตรลักษณ์ซ้ําแล้วซ้ําอีกถึงวันหนึ่งจิตถึงจยอมรับความจริงว่ากายนี้ก็เป็นไตรลักษณ์นะเป็นอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาจิตก็เป็นอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตา พอมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้นะไม่ใช่ตัวเราทุกอย่างมีแต่ความเปลี่ยนแปลงถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาต้องเปลี่ยนแปลงพอใจมันเห็นความจริงนี้ใจจะหมดความดิ้นรนมันจะรู้ทุกอย่างอย่างเป็นกลางรู้ทุกอย่างอย่างศักว่ารู้รู้แล้วไม่หลงยินดีรู้แล้วไม่หลงยินร้ายนี่เพราะมีปัญญาแก่รอบ และจิตไม่ยินดีจิตไม่มีความยินร้ายจิตก็ไม่มีความปรุงแต่งดิ้นรนรู้แล้วจบลงที่รู้จริงๆมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะยังมีชีวิตอยู่ท่านชอบสอนว่ารู้แล้วจบลงที่รู้รู้หวานหวานรู้หวานเย็นอะไรของท่านนะสัมมวนท่านนะลงความแล้วรู้สบายๆรู้แล้วไม่ต้องทําอะไรต่อดูไปเรื่อยๆดูไปอันนี้เป็นแต่โอหารเป็นแต่คำพูดยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะสามารถรู้แล้วจบลงที่รู้ได้ เพราะใจเนี่ยไม่เคยพอใจในสิ่งซึ่งกาลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้านะเช่นความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่พอใจนะที่มันจะอยู่นานไปมันเกิดความสุขเกิดขึ้นก็ไม่พอใจนะเพราะมันหายไปเร็วหมใจมีแต่ความไม่พอใจที่ไม่พอใจก็ดินน้นรนแสวงหาไม่เลิก แต่ถ้าเมื่อไร่มีปัญญาเนีเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรเกิดขึ้นใจก็เป็นกลางใจเป็นกลางแล้วใจจะไม่ดิ้นรนต่อเช่นความทุกข์เกิดขึ้นก็แค่รู้เท่านั้นเองสักว่ารู้แค่รู้ไม่ได้อยากให้มันหายเพราะมีปัญญารู้ว่าความทุกข์มีเหตุความทุกข์ก็เกิดความทุกข์หมดเหตุความทุกข์ก็ดับความสุขเกิดขึ้นก็เหมือนกันนะไม่ได้อยากให้อยู่นานๆเพราะมีปัญญาเห็นว่าถ้ามีเหตุความสุขก็มีอยู่ ถ้าหมดเหตุความสุขนี้ก็ดับไปมีปัญญาให้ความสุขจะมาหรือความทุกข์จะมานะใจเป็นกลางเมื่อใจเป็นกลางกับสภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเนี่ยถ้าเป็นกลางอย่างแท้จริงนะแม้ขณะนิดหน่อยเท่านั้นบางคนที่อินทรีย์แก่รอบแล้วอริยมรรคก็เกิดขึ้นเลยมีผู้ชายคนหนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่ดุลภาวนาไปเรียนจากท่านนะฮัดดูจิตอย่างนี้ดูอยู่เจ็เดือนนะ ดูอยู่เจ็ดเดือนไม่เคยมีคำว่าเป็นกลางหรอกไม่เป็นกลางเลยอันนี้เกิดขึ้นก็ยินดีก็รู้ทันอันนี้เกิดขึ้นก็ยินร้ายก็รู้ทันฝึกอยู่อย่างนี้แหละได้เจดเดือนวันหนึ่งพายุมานะเปียกฝนใจมีความกางังวลว่าเปียกฝนแล้วเดี๋ยวจะป่วยไข้เพราะใจกังวล น, นะ เ, นเกิดไปเห็นความกางังวลโดยไม่ได้จงใจ แล้ไม่ได้คิดว่าความกังวลจะต้องหายด้วยนะมันเกิดรู้อย่างเป็นกลางนะครั้งแรกในชีวิตเลยที่รู้อย่างเป็นกลางนะจิตก็ตัดสินความรู้กันตรงนั้นเลยนะจิตรวมเข้ามาแล้วตัดสินเลยเพราะฉะนั้นตรงที่ว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆนะเกิดได้ยากมากจะต้องอินทรีย์แก่รอบจริงๆสติปัญญาแก่รอบจริงๆของเราอย่าไปกลัวเลยยังไงก็ไม่เป็นกลางหรอกอยังไงก็ต้องยินดีบ้างยินร้ายบ้างรู้สึกไหม เพตลอดเวลาที่เราภาวนาใจเราคิดตลอดเวลาว่าทํายังไงมันจะดีทํำยังไงจะบรรลุมรรคผลนิพพานมีใครไม่คิดอย่างนี้ไหมขอโชว์ตัวหน่อยจะได้บอกว่าเป็นมนุษย์ประหลาดเราก็จะคิดอ่ะทำยังไงมันคงมีวิธีนะที่ปฏิบัติที่ถูกกว่านี้อีกที่ดีกว่านี้อีกนะ <c oughs> เพื่อว่าเราปฏิบัติแล้วเราจะได้บดรรลุเร็วๆมีคําว่าเราใส่เครื่องหมายคําพูดเราตัวใหญ่ๆนะพิมพ์ตัวหนาๆด้วยเรา <c oughs> นันในใจของเราตลอดเวลาจะคอยคิดว่าทํำยังไงจะดีทํำยังไงจะถูกมีคิดจะทำเห็นไหมท่านบอกให้รู้ตามความเป็นจริงท่านไม่ได้บอกให้ทําอะไรไม่ต้องทําอะไรนะแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นสภาวะใดเกิดขึ้นในปัจจุบันรู้รูปเดียวเลย ร, รู้ไปเลยนะรู้ตามความเป็นจริงรู้ไปแรกแรกบางคนเบื่อบางคนถ้าอินรีย์ยังไม่แก่รอบนะค่อยๆพัฒนาเป็นสเต็ปสเต็ปไปบางคนเห็นแล้วอ้หน้าเบื่อจังเลยตัวเราไม่มีหรอกนะ เห็นลงมากายนี้ใจนี้มันไม่ใช่มีตัวเราตัวเราเป็นแค่ความคิดเนี่ยหลายคนที่ภาวนากับหลวงพ่อเห็นตรงนี้แล้วนะเห็นแล้วว่าตัวเราเป็นแค่ความคิดตัวเราไม่มีจริงๆหรอกแต่ใจยังไม่ยอมใจยังเสียดายอะไรอาวร อ, อยากให้มีตัวเราอยู่บางคนเสียใจเลยนะเซงชีวิตนี้สุดเซงแล้วตัวเราหายไปบางคนกลัวมากเลยโอ้ตายถ้าตัวเราหายไปไหนที่หวานคลำ้ำใจตัวเราอยู่ไหนอยู่ไหนนะ น่าสงสารมากเลยคล้ายแบกหมาบ้ามาตัวนะโยนทิ้งไปแล้ยังอู้หมาไปไหนนะของดีของวิเศษฉันี่เที่ยวแบ่แบกไว้งั้นยากนะยากกว่าที่ใจจะยอมรับแต่ว่าบางคนถ้ายินรียแก่รอบนะ่ะเห็นคราวแรกก็ขาดเลยไม่ต้องมาอ้อยสร้อยอ้อย อ, อยิงมาเห็นแล้วก็เบื่อหน่ายคลายแล้วก็ ก, ก็มันคลาย ม, ามันเบื่อหน่ายมานานแล้วะนะหลายพบหลายชาติแล้วพอมาปิ้งทีเดียวขาดไปเลยก็มี ยังพาหิยะเขาขาดไปเลยไม่ได้มีบอกเลยนะว่าจิตของพาหิยะนะค่อยๆสเต็ปมาตามโสรถยาตเป็นขั้นๆไม่ได้พูดเลยไม่พูดเลยว่าพาหิยะนะเกิดเบื่อหนายเกิดอะไรไม่มีเขาเบื่อมาแล้วเขาเบื่อมาแล้วสะสมมาแล้วเต็มอิ่มมาแล้วนะถูกจุดชนวนทีเดียวระเบิดเปรี่ยงเลยของเราชนวนด้านชนวนเปียกน้ำ <c oughs> จุดแปก๊กปกแปกนะ <c oughs> ไม่ค่อยจะติดนะ แต่ก็ทนทนไปนะอย่าเอาน้ําไปราดมันเพิ่มอะไรเป็นน้ำทั้งกิเลส ท, ทั้งหลายเป็นน้ํากรามเป็นน้ำเอาไปราดใส่มันเรื่อยๆนะกิเลสไปราดใจเราเข้าอยู่กับกิเลสเรืยใจเราเปียกใจที่เปียกนะไม่พร้อมกับธรรมะพระพุทธเจ้าเคยเทียบไว้บอกบุคคลมีหลายชนิดนะเปรียบเหมือนท่อนไม้บางคนก็เหมือนท่อนไม้ที่สดสดเพิ่งตัดใหม่ๆนะสดๆเลยแช่อยู่ในน้ําจุดไฟไม่ติดหรอก บางคนเป็นไม้สดนะแต่อยู่บนบกไม่ได้แช่น้ำํำนะอันนี้ก็ติดยากหน่อยบางคนเป็นไม้แห้งนะอยู่บนบกด้วยไม่เปียกน้ำํำเลยพวกนี้ติดไฟทันทีเลยจิตใจของเราเหมือนกันนะถ้าจิตใจของเราก็ยังหมกมุ่นในกิเลสกิเลสเดิมของเราก็สะสมมาเยอะยังเป็นไม้ไม้สดอยู่นะกิเลสก็ยังเต็มหัวใจอยู่แถมยังไป น, นอนคลุกเคล้าอยู่กับกิเลสตลอดเวลานะไอ้เ น, นี่ยไม่ติดไ ม, ไม่ติดไฟหรอกนะ บรรลุยากยากแสนเข็ญเลยเรียกว่ามีโอกาสเหมือนกันแต่โอกาสเป็นศูนย์นะพูดทางคณิตศาสตรนะ์อีกพวกหนึ่งนะกิเลสยังมีอยู่นะแต่มีความเพียนอย่างที่พวกเราทำเนี่ยกิเลสมีอยู่แต่มีความเพี่ยนนะกิเลสเกิดขึ้นเราใครรู้กิเลสเกิดขึ้นได้รู้มันเหมือนไม้ที่ยังสดอยู่พวกเราใคราภาวนาแล้ว เ, เคยรู้สึกไหมใจเราเหมือนไม้สดสดยังมียางมีเยื่อมียางอยู่ ใครภาวนาจะรู้สึกว่ามันแห้งผากบ้างถ้ามันแห้งผากแล้วนะมันใกล้แล้วแต่อย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวมันจะแห้งกันใหญ่ <c oughs> <c oughs> ดูฟั๊บหนึ่งก็รู้แล้วนะคนไหนไมันใกล้ไม่ใกล้แต่อย่าถามนะถ้าถามแล้วจะวิบัติอย่าพยายามมาถามหลวงพ่อนะว่าเมื่อไหร่เธอได้จะใกล้ได้หรือ ย, อยังอะไรเงี้ยหรือชาตินี้จะได้ไหมอย่าถามเลยถ้าหลวงพ่อบอกว่าได้จะประมาทนะ โอ้เดี๋ยวนอนเล่นไปก่อนไปมีเมียสักห้าคนกันยังไงก็ปัลุแน่หรือหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้อ่ะโอ้กับไปอยู่กับโลกดีกว่าไหนไชาตินี้ไม่ได้แล้วชาติหน้าค่อยปฏิบัติใหม่มีแต่เรื่องอัปรีจังไรนะใช้ไม่ได้หรอกอัปรีเนี่ยภาษาบาลีแปลว่าไม่น่ารักใช่ไหมอัปลียะไม่ใช่คําหยาบคายนะเดหรือจะว่าหลวงพ่อพูดหยาบคายเรารู้รากศัพท์ งั้นอ่าไปสนใจนะหน้าที่ของเราทําเหตุในปัจจุบันรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะมันแก่รอบขึ้นมามันก็หลุดไปเองไม่รู้หรอกว่าเราจะบรรลุกันเมื่อไหร่วันไหนคนะรูบาจารย์ท่านรู้ท่านก็ไม่บอกหรอกถึงบอกท่านก็บอกกับคนอื่นท่านไม่บอกกับเราหรอกเคยมีผู้ชายคนนึงนะไปหาหลวงปู่สิมเคยติดกรรมาฐานอย่างหนึ่งนั่งภาวนาแล้วหลับตลอดเลยเมื่อวันที่หสิงหาปีสองหกขึ้นไปหาหลวงปู่สิม หลวงปู่คับจิตผมพอนานแนละ้วทำไมมันหลับตลอดเวลามันแปลกนั่งขัดเพชรนั่งขัดสมาธิเพชรอย่างหลับเลยเดินจงกรมก็หลับทำอะไรก็หลับนะไม่เคยเป็นแล้วก็ทํำยังไงก็ไม่หายผมจะทํำยังไงดีหลวงปู่สิมบอกผู้รู้ผู้ ร, รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรผู้รู้อย่าสงสัยเลยเดี๋ยวผู้รู้จะได้ของดีในพรรษาา น, นี้แหละท่านไม่รู้จักชื่อนะท่านเรียกผู้รู้ผู้รู้ะ ผู้ชายคนนั้นก็ครูบาอาจารย์บอกห้ามสงสัยไม่สงสัยล้วถ้าหลวงพ่อบอกพวกเราให้อย่าสงสัยเลยพวกเราจะต่อรองรู้สึกไหมอขอนิฏฐามันคล้องใจมานานแล้วนี่แหละพวกใจไม่ถึงผู้ชายนะั้นครูบาอาจารย์บอกอย่าสงสัยเลยอีกสองวันนะภาวนาจิตใจเปลียนไปหมดเลยเปลียนไปหมดเลยครนะูบาอาจารย์ไม่บอกกับคนนี้นะแค่บอกว่าทําน์ไปเถอะเดี๋ยวจะได้ของดี พอผู้ชายคนนี้ออกจากวัดปุ๊บท่านบอกกับพระอุปถาคที่แวดล้อมท่านใช่ไหมบอกว่าผู้ชายคนนี้ได้โสดาอยู่แล้วนะแล้วจะได้สกทาขานในพรรษานี้ท่านบอกงี้ถ้าท่านไปบอกกับผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นจะเป็นไงอ้ากูเก่งชิบหายเลยถ้นะาไม่ได้ละนะไม่ได้ละงั้นะครูบาอาจารย์ท่านไม่บอกหรอกนะภาวนาไปมีหน้าที่ทําเหตุให้สมบูรณ์นะทำเหตุให้สมบูรณ์ เรื่หลวงปู่สิมเนี่ยเห็นคุณสุเมศแหละเป็นคนมาเล่าเห็นอยู่แป๊บๆอยู่ไหนอ๋ออยู่นอนคุณสุเมศแหะเป็นคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนี่พวกเราภาวนานะทําทเหตุไปเรื่อยผลมันสมควรที่จะเกิดเมื่อไหร่มันก็เกิดเองแหละทําเหตุให้ดีแล้วผลมันมีเองนะ <Yeah. S 1> ถ้าเราคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้ผลเมื่อไหร่จะได้ผลเราจะดินน้นรนแทนที่เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะดิ้นมากเลย อย่าสนใจว่าจะได้อะไรเมื่อไรนะรู้สึกกายรู้สึกใจรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจรู้ไปเรื่อยๆทําเหตุไปเรื่อยเราจะมีความสุขตั้งแต่ปัจจุบันเราได้รู้กายรู้ใจเราก็มีความสุขแล้วรู้สึกไหมคนที่เรียนจากหลวงพ่อนะตอนนี้มีเป็นพันพหมื่นหนะที่ว่าจิตใจมันเปลี่ยนล้จิตใจเปลี่ยนเคยทุกข์เยอะก็ทุกข์สั้นๆแนละนะไม่ทุกข์นาน ทุ ก, ก็ทุก น, นิดนิดหน่อยหอยจิตมันเปลี่ยนเห็นไหมแค่มีสติอยู่ก็เริ่มมีความสุขจะไปสนใจว่าจะได้อะไรเมื่อไร่ได้มีสติอยู่ก็บุญนักหนาละได้มีสติอยู่ชีวิตจิตใจเราก็ดีขึ้นนักหนาละเคยทุกเดียวแยะเลยนะอยู่ในครอบครัวมีปัญหามากมายหามีสติชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นละพอใจพอใจในปัจจุบันนี้ละมีสติเป็นขณะขณะไปหน้าพอใจละหน้าสัรเสด็จละพระพุทธเจ้ายัางสัรเสริญเลยท่านบอกว่าคนมีอายุร้อยปีนะ ก็ไม่น่าสารเสริญอะไรแต่คนที่มีสติอยู่แม้ราตรีเดียวคืนเดียวก็พึงชมเป็นเพราะเรามีสติอยู่นะพระพุทธเจ้าชมเราทุกวันเลยนะ <S <S อย่านึกว่าท่านสูญไปแล้วนะอย่านึกว่าท่านสับศูนย์นะสาบศูนย์เป็นมิจฉาทิฐินะแล้วก็มีตัวมีตนอยู่ก็เป็นมิจฉาทิฐินะ <S 1> <S 1> <S นั่นเราภาวนานะเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเป็นบุคคลที่ควรชมในทัศนะของพระพุทธเจ้า เมื่อเราทําเหตุด้วยความมีสตินะเรามีความสุขอยู่ปัจจุบันไปเรื่อยวันหนึ่งสมควรที่จะมีผลมันก็ได้ผลเรามีความสุขตั้งแต่ปัจจุบันส่วนคนที่อยากได้ผลนะจะภาวนาไปทุกวันมีแต่ความทุกข์เมื่อไหร่จะได้ความสุขสักทีเมื่อไหรจะพ้นทุกข์สัทกทเกลียดปัจจุบันนี่พวกนี้โง่คล้ายๆคนทํางานคนนึงทํางานโดยหวังเลื่อนสีเลื่อนเงินเดือนเลื่อนขั้นนะเลื่อนตําแหน่งเลื่อนอะไรต่ออะไรไอ้คนนี้ไม่ได้อยากทํางานแต่อยากได้ผล เมื่อไหร่จะเลื่อนสักทีเมื่อไหร่จะโบนัสจะออกสักทีนะปีหนึ่งนี้มีความสุขครั้งเดียวคือวันที่โบนัสออกถ้าโบนัสเกิดไม่ออกนะอย่างปีนี้หลายคนจะไม่มีโบนัสอย่าตกใจนะโบนัสไม่ออกก็เหียวเลยเห็นไหมเนี่ยหลายคนเริ่มเหยวแล้วแต่อีกคนนึงทางานไปแล้วก็มีความสุขอะสนุกที่ได้ทํางานนะมีความสุขที่ได้ทํางานคนนี้มีความสุขทุกวันเลยปีหนึ่งมีความสุข365ร้อยหกวัน ในขณะที่คนที่ทําโดยวังผลนะปีหนึ่งอาจจะมีความสุขได้วันเดียวพวกเรานักปฏิบัติเหมือนกันนะเรารู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนี้แหละรู้สึกไปเรื่อยนะเรื่องอะไรต้องไปรอความสุขห่างไกลในอนาคตมีตั้งแต่เดืยวนี้นะใจของเรามีความสุขมีความตั้งมั่นรู้กายรู้ใจไปถึงวันซึ่งออกดอกออกผลบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมา เหมือนเราได้โบนัสก้อนใหญ่ล้ใช่ไหมปัจจุบันก็มีความสุขแล้วอนาคตมีความสุขอันยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้านะงั้นวางใจให้ดีนะรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างมีความสุขไปเพราะความสุขอันยิ่งใหญ่กว่านี้รออยู่ข้างหน้าแต่อย่าตะกายหานะถ้าตะกายหาจะไม่ได้อะวันนี้เทศเท่านี้พอรู้สึกเทศดูเดือดขึ้นทุกวันมีอะไรก็แบกกระเป๋าให้หมดแล้วนะเรียกว่าเปิดย่ามเทให้ทุกวันเพราะรับได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละนะ นิมนต์เลยครับนิมนต์